เห็นแล้วก็ตัดตับโอท้อนนี้เองนะพอได้ตัดออกไปลแล้วก็แปลว่าคนหมดกิเลสแล้วตายจึงไม่เกิดแล้วเราะว่าคนไม่มีกิเลสตายแล้วเกิดเรื่องทนนี้เองเรื่องทนนี้เองไม่รู้อันนี้แหละหลวงพ่อประโถแมพระพุทธเจ้าหรฤาษีพูดว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่กิจปีแล้วจะมีอานิสงส์ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารต้องเป็นพระนักธรรมเทศมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีถึงอายุสี่ิบกปีไม่รู้ทิศทางไม่รู้ทางออกเลย อยู่ในถ้ำไม่รู้จักรูปทรงของถ้ำแม่ไม่รู้จริงๆเมื่ออายุสีสิหปีโอ้โหนี่ของเล็กน้อยแต่เราไม่เข้าใจความหมายนี่แหละภาษาพุทธศาสนาจับมาจากประเทศอินเดียแต่เราไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นพุทธศาสนาทั้งหมดมาสะท้อนถึงว่าคำสอนและที่ใดก็ตามเราต้องฝังแต่เราอย่าไปเชื่อถือต้องเอาตัวเราไปฝึกปฏิบัติให้มันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่เราจะไปคาดคิดเอาไม่ได้ เดาเอาไม่ได้จะรู้ลงหน้าไม่ได้เรื่องนี้อ่ะพอดีมันเป็นอย่างนี้แล้วขวมทุกก็จะไม่มีควมสุขก็จะไม่มีควมสงสัยก็จะไม่มีใครว่าไม่มีอะไรทั้งหมดอ่ะจะว่าอย่างไรไม่มีอะไรนี้จะว่ามีทุกก็ไม่ใช่จะมีสุข้วก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่ใช่คือไม่มีอะไรก็แล้วกันเท่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอันนั้นจะอีกคนละเรื่องกันให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรเละถึงที่สุดแล้วญาย่อมมีเท่านั้น ถึงที่สุดได้วอย่าโยมเมื่อขาดปุ๊บเนี่ยไม่เกินพอวินาทีจะมีอันมาตัดสินให้เราทันทีก็เพราะเราเห็นแจง้งนู่นจริงตันนี้ของเราที่รับพระเจ้าเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรายังตัดกระแสอันนี้ไม่ขาดแล้วพระพุทธเจ้าจะด่าพระวรกลิกหนีไปให้พ้นพระวรกลิกหนีไปให้พนห้นอันว่ายอย่างนั้นพอเราไปติดกับความคิดติดกับความดีเนี่ยมีอารมณ์ติดแต่อันนั้นไปอ น, นเนี่ยไปไม่ได้เราพระพุทธเจ้าบอกหนีไปพระวรกลิกไม่ใช่ติดตัวคนนะ ไม่ใช่ตัวคนอันนี้เดีววางพระวัคคลิศบางขอบคิดอันนั้นถ้าเธอไปติดขอบคิดอันนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาจับคนจากทุกอันนี้ได้อาจจะพูดอันนี้ก็ได้นะแต่เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวเพราะว่าพระวัคิศไปติดขอบยินดีอันนั้นจะไปเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นลวงตาจึงไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแท้มันเป็นพระพุทธเจ้ามาลวงตาท่านจึงจะว่าเห็นพระพุทธไม่ใช่ทองคําเห็นพระคำไม่ใช่บาลานเห็นลูกสาวบ้านไม่ใช่พระสงฆ์ทันว่างั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 แต่ว่าขันพอแม่ห่างยากอาจจะเมื่ อ, อย่างอยู่ในทองไม่ติดจำบ่ได้แท้ๆพอบุเขาจยากหน้าพอเนี่ยถ้าเกิด อ, ออกมาแล้วต้องเห็นหน้าพ่อจริงๆแล้วก็จะจําได้จริงๆดังนั้นทางไปหา พ, พระพุทธเจ้านี่ไม่ยากถ้าทำจริงเรารับรองได้รับรองตัวสัจจะว่าทุกคนต้องปวามสุขต้องตายเราจะตายโดยคนไม่รู้หรือเราจะตายโดยคนรู้ร เ, รรรเราจะอยู่เป็นคนด้วยคนทุกหรือจะอยู่เป็นคนด้วยคนไม่มีทุกเอาเท่านี้ก็พอ ถ้าหากว่าเรายู่งเป็นคนด้วยในทุกรีบศึกษาเลื่องปฏิบัติทำความรู้สึกตัวมันคิดอย่าไปยุ่งกับความคิดมาเอาไว้ความรู้สึกนี่เองเพื่อทุกต้องกําหนดรูปตัวนี้เป็นก้อนทุกมันเป็นก้อนทุกอันนี้มันเคลื่อนมันไว้ตวอลอดเวลาสมุทยัยต้องละตัวคิดเป็นตัวสมมุทยัยสมุทยัยจนทําให้ทุกเกิดมันยืงเป็นฝาบังอยู่บีเมื่อมันคิดขึ้นมาปุ๊บเรามาหาตัวนี้มาหาตัวนี้มัน ข, ขาดผู้เดียว ม, มันมักต้องจเจริญทำความเคลื่อนไหวได้มากมาย นิโนธทาให้เจ่างจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้จริงๆพระพุทธเจ้าทงจริงสอนไว้สัตว์ทั้งหลายเราผู้เปตัตษาโคตไปถึงแล้วแหงนะคือไปถึงที่สุดของทุกแต่เป็นของทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนจิว๋วนิพพานสมบัติเถิสวรรค์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่เป็นสมบัติของสัตว์เกระสานดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตัดกระแสอันนี้แล้วมันจะไม่เข้าถึงมันจะไม่เข้าถึงจริงๆที่พูดให้ฟังในวันนี้เพื่อ เพราะประมวลความรู้มาแล้วมาอบรมกับมาฐานตั้งแต่วันที่30พูดให้ฟังเ้าเย็นสันเ้าสันกลางวันหลวงพ่อพูดถ้าหากไม่จำสิบแต่โดยมากก็ต้องพูดทุกวันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนมกราเป็นปีใหม่แล้ว 2,530 นักปฏิบัติก็มีผู้ที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติจา ก, ก็มีแต่บางทีไปปฏิบัติที่อื่นมันก็มีนะหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะมาปฏิบัติที่นี่ให้เราเรารู้ให้เราเข้าใจอย่าไปเลหลวไหลไรลสาระหลวงพ่อเคยถามคนมาหลายคนแล้วยังนัดทันคนมีคุณเกิดเมื่อไรเขาว่าเกิดเมื่อนั้นเมื่อถามคุณก็ได้คุณอายุกี่ปีแล้วสี <14. S 1> ่สิสิบสามปีพ่อคุณสอนคุณคําแรกที่สุดจําได้ไห ม, ไมไแน่ แล้วจะเป็นเสื้ออะไรสิเหรอนะเพียงอายุสีกวนนากากกกก่ า, า, า, าปีเรายังจำไม่ได้แล้วคนเนี่ยมันนั่นดังอ่ะโอ้โหพูดมากมากไม่ค่อยดีแค่ต้องจําำแก็ต้องพูดเพราะเราพูดก่อนกินตอนนั้นจะชื่อซัดได้เนี่ยแคเพียงเกิดมาอายุสี่กว่าปีเรายังจําไม่ได้แล้วนี่จะว่าอย่างไงเนี่ยคนที่มันเข้าใจผิดกันจริง ๆ, ง ๆ, งๆเนี่ยชื่อว่าเหลวไหลไหลสาระทันวนี่แหละกระตุ ก, กตมลนัญญนเครื่องรางของขั ง, งดูลืกงามยามดี สิ่งที่ไล่สาระมีไว้เพื่อทําไรมีไว้เพื่อหลอกคุณโง่เท่านั้นเองเขาบอกคุณโง่อย่ า, ายสุขเกียรติเลยคุณบูฮุจักว่ า, าทั้งกัดแย้งนิด น, น, นึงแต่ความจริงคุณบูฮุจักกับโง่ไม่อันเดียวกันโง่แล้วอย่างเป็นนัก ส, สันเป็นบอลยังให้เขาลอกเขาต้มนัก ส, สันทันคนสลาดคนบูฮุจักที่มาตัวเขาได้อย่างไรเขาว่าเขสร้างเขาและเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขาเนี่แหละมันตัดบวขาดทั้งหมดเลยแม้ไปเจอเลยที่ปรัชน า, าก็ยังตัดไม่ขาดให้ทานก็ยังตัดไม่ขาดรักษาศีลนก็ยังตัดไม่ขาดเพราะมันเป็นพระลงตรงตัง มันอึลงตรงตังว่าทั้วานนะ่ะบอกอย่าวอลไปแต่ข้อนะั้บอกต้องวอลไปมันท่วงเราไว้ท่วงข่มเจริญไว้เลิกทั้งหมดเลยเอาเจริญรู้สึกอันเดียวนี้เท่านั้นเองแต่ว่าข่มรู้สึกได้เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เปลี่ยนอนาคตรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยอลูเมื่อกี้นี่มันใจใสแล้วอย่าไปนสงใจมันอย่ า, ามันคิดแล้วก็แล้วไปมันคิดเดี๋วก็ตามคิดตั ว, วก็ตามเขาปัจจุบันนี่แหละเดินไปเดินไป มันจะเป็นเองมันขูมเป็นเองมันไม่ยู่เรียกว่าสัจจะมันจะตัดเองมันนี่ว่าสัจจะตัวนี้มันเป็นเพชรจริงๆแล้วมีมรดกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ทําไมเราไม่หงายของที่ขูมเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีหงายขอมันหันแน่นเข้ามาสิทําไมจึงไม่หมุนออกไปมาไขเอาใหม่พราะคนผู้มาให้แบบนี้เอ้าหันเข้าไปหันยิ่งหันก็ยิ่งติดแบเนี้หลวงพ่อมาให้คนแจ่ปักตายกับคนแจเลือนถ้าคนแจ่ปักตายเอาสวมเข้ามา้นเซีย หมุนแต่ถ้านัดมันไม่ดีก็หมุนโคเลมันมันจะไม่ติดเอากระเจี๊ยตักตายเข้าไปหันจับเยาวๆที่ท่วงที่มันไปเองถ้าจะจอบบ่เอเบจเซี่มันไม่ไปมันติดเนี้ยเอาใส่กระเจี๊ยตักตายจับหมู่เลยไขยเลยเนี่ยเหมือนกุญแจกุญแจนี้ไปไขาซุกเข้าไปดิดปั๊บน้อยเดียวเนี่อออกมา ท, ทันทีความรู้สึกนี้เป็นกุญแจลูกเอกเป็นกุญแจลูกเอกจริงๆเป็นกุญแจที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้ที่ว่าศึกษาของเก่าไม่ศึกษาของใหม่ แกมาให้เหตุารณ์ที right. so ่โอ๊ยเป็นเหตุไม่เดาแต่มันไม่เมื่อนี้แต่มันเก่าตั้งแต่เป็นอะไรเสรเกิดมาต้องเป็นรถอันนี้เรียกว่าศึกษาของเก่าแต่คนไม่เข้าใจว่าหาว่าเป็นของใหม่ไม่ของคนนั้นแต่มันเก้าของเราของเก่าแท้ๆเราบอกคนให้มันเห็นของเก่าเราไมาเห็นเมื่อนี้ก็เป็นของเก่าเมื่อนี้แต่ของจริงนั่นอ่ะมันเป็นของเก่าอยู่แล้วเราไม่ศึกษาเพิ่งมาเห็นเขาว่าเป็นของใหม่ความจริงเป็นของเก่าเห็นบ่าคนเกิดมาหลุดจากเ่าแม่มาเคลื่อนไหว่นวอ ศึกาควมรู้ศึกนี้เองของเก่าแท้ๆเนี่ยเกิดมากับรู้สึกอะไรสิเลยแต่เราไม่ได้เกิดมากับพ่อแม่ปู่ย่าตาอยากก็เป็นอย่างันหมายถึงว่าของเก่าแท้ๆพาพระเจ้าจึงมาสอนเรื่องของเก่าจริงๆพวกเรามาทํานี่ก็ทําเรื่องของเก่าจริงๆยจะให้รู้ต้นตอของเก่าจริงๆมันเป็นอันโทสะโมหะโลภานี่มันก็ไม่ได้มีอยู่ที่เราเพราะเราลืมของเก่าเหล่านี้เองพอดีคนมาพูดในหะ้ปุ๊บวางตัวนี้ไปฝังตัวนั้นแน่เข้ามาตกหน้าเราแล้ว เนี่ยสู้เขาไม่ได้แล้วขอใส่เอาแล้วปับ๊บนึงเนี่ยจะเป็นสู้เขาได้ทำไมคู่ต่อสูอ้อันนี้มันเป็นของจริงไงโดยนี้นีไม่มีโกดไม่มีลบไม่มหลงเลยพอดีพูดอึกแบบปับ๊บเดี๋ยวเบื้องหน้าเขาเดี๋ยวเน่ลืนโตไปแล้วอันคนหลงตนลืมโตเนี่ยเป็นพิศเป็นไัเป็นอันตรายลายการยันหนักที่สุด พ, พระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าเธอทางหลายจงยังข่มไม่ประมาทให้ถึงควอมเถิดในทันวันแล้วว่าประมาทในอย่างบุปมา คว่ายไปเพราว้ามีอันนั้นกระทุกอยู่บ๊ประมาทให้รักษาศีลอันกระทุกอยู่บ๊อบประมาทในพลวัาย์ย่าลงใจเพลวัลย์นั่นมันคิดมาให้รู้จักพลวัลยานั่นให้หลวงพาะว่าภาษาบ้านหลวงพ่อว่างี้พอได้ลงคงคิดปั๊บประมาทแล้วนั่นประมาทแล้วไม่ได้เห็นของพีน เ, เนี่ยเขาจิ้มาไว้เขาไม่ได้บุ้งหัจักเด็พอได้มาว่าเอาแล้วบอนี่ต่าตุ๊บเลยเนเจ็บบ่ล น, น, นั่นนั่นเขานอกเอาแล้วบัดนี้เอามาคู่โต้ซุ่มมาเอามาแล้วตีใต่ลุมตาปั๊บเลยเนี่ย นี่มันได้เป็นแส้นเปี้ยนเนี่ยไวที่สุดขูมเร็วอันเนี้ยมันไวที่สุดเนี่ยพอดีคู่ต่อสู้มาปั๊บใส่ลุมตาเลยอันนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นที่สุดอันเนี้ยจะเดินไปหาทางนนท์ต้องเข้าจุดนี้ก่อนจิ๋ว่าให้รู้สึกอันนี้ก่อนรู้สึกเข้ารู้สึกเข้ า, ขามันบอกแต่ยางเหนียวแล้วบ่นี้เได้เขาก็ยางเหนียวโยนไปปุ๊บเป็นของแข็งตั้ียแล้วหลวงพ่อคเคยให้ข้มูลเท่มปั๊บเนี่ยแสด็จขึ้นมาปั๊บเลยนี่มันของแข็งตอกแข็งของแข็งกระทบกันแล้วมีจากนี้้ไไปปเเลยเลยยว่าให อย่าไปติดจังทันดังนั้นที่หลวงพ่อให้ข้อคิดมานี่ของง่ายที่สุดสุปัชชีเห็นทันทีเลยอันนี้เราหลับตาโยูนสิบัชชีเห็นทําไมะอย่างนี้ไม่เห็นเลยเพราะเราไม่ฟังเสียงอะไรที่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกมาม า, มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไม่ไปเลยไม่ไปจริงๆคนเนี่ยจํานวนคนไทยถือศาสนาพุทธคนเท่าไหลงจากลานจากลานเหรอ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 พยายามเข้าถึงคนเพรคะนั้นเองเข้าถึงเขาแล้วเขจะได้รู้ือว่าความทุกข์ควา ม, มสับสนวุ่นวายเราก็เคยได้ยินมาแล้วหลายคนที่เคยพูดให้ฟังมาเนี่ยบวชมากันนานหลายคนเรียนจบปริยญเอกก็มีกันหลายคนแต่พูดแต่คนละเรื่องกันนึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะก้อนเสื้อไปทั้งหมดเลยแต เ, เรียนมนต์ของนังครูบาอาจารย์เนี่ยขอเนี่ปฏิบัติทรมรู้เบื้องแรกที่สุดอันนี้ อมทุรีทุลีกันขอกูมีแผ่นทองตั้งผ้ากันหน้าผ้า ก, กูแก่นปันเห็นตีนกูแก่นปันเล็กกันคนแข้งกูท่อ้ําขาขนขากูท่อขนเบนกูจัดเต้นไปได้ห้อยยดผันว่าพญามนมลทางหลายจะมาตั้งมาบังตรงกูกันพอดีเมี ง, งอดตกเสาขาเนี่ยเบิ่งเมี ง, งอดตัวเมียงฟองนะรู้จักรูปนํามาลูบลงขอบ่ามีอะไรก็โถสมมตุติจริงจริงแม่มันบงังจริงๆเมื่อใดจึงจะเปิดโลกอันนี้ได้ เปิดได้ตั้งแต่เมื่อนานมาถึงเมื่อนี้โอ๊ยไผจีวะยังในเรื่องของเขาจรงไม่เป็นนกติดั่งแล้วหลวงพ่อเดียร์เนี่ยไผจีวะยังอะไรตายแล้วเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่สงสัยเลยแล้วอยากเกิดก็ได้เกิดไหมหรือไม่อยากเกิดได้ไม่ได้เกิดไหมไม่เห็นหรืไม่รู้เพราะตัดเส้นนี้ไม่ขาดเลยถ้าตัดอันนี้ขาดแล้วไม่ต้องถามใครเลยใครจะมาถามปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีเลยหลวงพ่อเคยถามปัญหาครูบาอาจารย์มาหลายคนแก่นู่นแก้นี้ไปมันไม่ได้แก้ทําทุกข์จุดเดยขันแข้งเนี่ยไปห ศีรษะพี่มันไม่มีแรงเลยบั น, นี้อ้อยไม่ต้องถามใครมันขันแข้งจับปั๊บมีแรงทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดให้เด็กหลวงพ่อพูดทั้งวันก็ได้ให้พูดจนหมดลมหายใจก็ได้นี่แปลว่ารักษาอาวัยวะรักษาชีวิตเราหมายความว่าอย่างไงเสียสละเงินทองเสียสละชีวิตหมายความว่าอย่างไงเราก็ต้องการพูดความจริงให้คนฟังเท่านั้นเองบันที้เราไม่ต้องการความจริงเสียแล้วคนที่พูดก็ไม่ต้องการพูดความจริงเสียแล้วไป เราพูดได้ว่ะยอมเสียสละทรัพย์ยอมเสียเงินเสียทองเพราะเรอยากตายพูดได้แต่เมื่อเอาจริงๆแล้วพูดไม่ได้เลยดังนั้นคนที่จะพูดได้ก็ต้องยอมหลวงพอเป็นลมมาเลยเอาตัดเลยหมอเขาเก่งต้องตัดทันทีเลยเขาไม่กลัวเลยคนจะตายาเลยไม่กลัวเลยเขาจะตัดที่เลยหนวงพอตัดกระ พ, พาะหลวงพก็ตัดออกเลยหมอเขาไม่ยนนั้งหลวงพ่อตายถ้าเทีอ่องเขาตัดลำไส้ออกเลยคนที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยเอ้าวมาเลย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 ได้สองปีปีที่สามกลับคืนมาแล้ววันนี้หม อ, ขอเขาว่าจะได้สามหรือจะได้สองปีได้มาแล้วเก้าเดือนแล้วยังยังพอได้ยุตอันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อกล้าตัดสิงอ้าวตัดเลยถ้าหากได้ตัดสินใจขนาดนี้พาตัดไม่ได้เลยเป็นหมอจะไม่ได้เลยหมอที่ไปลูดคำลูปหาเอาอยาแก้ปวดให้กินแล้วเราจะไปยิงกินยากแก้ปวดโรคไม่หายรับรองไม่หายจริงๆถ้าไม่พาตัดจริงๆอ้อาวเนื้อมันเป็นโรคตัดทิ้งท่นิ้วเนี่ยแขนเป็นโกตัดทิ้ง มันเป็นโรคในต้องตัดหมอก็ต้องให้ยารักษามันจะหาย ไ, ได้อันนี้คันตาไว้เนี่ยเป็นโรคเลยมันจะกินไปทีได้ที่กินไปทีเดผลที่สุดตายเลยเนี่ยอันเราไม่กล้าตัดทุกวันนี่ก็เพราะว่ายังไม่มีหมอเรียนจากเมืองนอกมาพอดีเราไปเจอหมอเมืองนอกเอาตัดแล้วนะผมไม่กลัวดอกเอาตัดเลยแต่ขอให้ผมหายจากโกรคก็แล้วกันมาเถอะอ่ะรับรองได้สามปีมีเงินเนเท่าไหร่ตั้งอัตรามาเลยนี่ยกล้าได้อย่างนี้่ะมีเงินเดืนเอนสิบาทออกปฏิบัติถึงสามปีนะอยากคิดให้วันลกสิบบาทก็ได้ จริงๆนี่จะมาคนพูดจริงกล้าจริงแต่เพียงว่าจะให้อะลดโทสะโมหะโลภะเนี่ยอ้าวให้เวลาหนึ่งปีไม่เกินเพียงลดได้อันเนี้ยอ้าวจะให้มันถึงที่สุดของทุกอ้าวให้เวลาสามปีสามปีใครมานั่งสามปีนั่งอยู่คุยยังสิ่งไม่เข้าใจอีกแล้วสามปีจะเป็นคนเสียสละจริงๆรทุกไม่มีอืสนุกไม่มีอ้าวเนี่ยทำมาจริงจริงๆเนี่ยอ้าวหลวงพ่อคิดว่าไม่เกินสามปีเพราะตําราบอกไปแล้วว่า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 รู้ไม่เหมือนกันพราะความตั้งใจไม่เหมือนกันอันนี้ก็สำขัดเหมือนกันหลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นชื่อว่าไม่สนใจกับเคพื่อนเลยในหอยพ่อมุกเนี่ยเป็นคนชอบพอกันดีโอ้ยไปคุยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหาวิธีนีตากแดดนี่หลวงพ่อไปยืนอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวไม่ตอบสามวันนะี่ไม่มาแล้วนี่ชื่ว่าเราอยากมีพักมีพวกเนี่ยให้ข้ามมือเดียวกันข้ามอีกคนอันนี้ก็คือการอันนี้ปัญหาเสียสวาสดิวายา่างนีอยาก สิงเขาให้พวกไส้พาราสินนั่นสันอยากมีสิลมีทําให้ข้าพอยีแม็กอยากให้คนมาได้ค้าวมู่เดียวกันอยากมีสิทมีสันให้หนอนดีคือฟุ่นเป็นวานสันไม่รู้น้งพอ่อเจ้ากอนอ๋อประเดี๋ยวนี้คําพูดเป็นเล่นอ่ะเป็นการสนุกสนานว่ากันเพื่อมันเพาะหูคนนั้นนันี้แต่ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเลยอ้าวทาอย่างนี้แหละอ้าวทำให้ติดต่อกันเด้๋วพระที่เรียอยู่วศาสนาใ น, นก็มีหลายคนแล้วเด็กๆอย่ า, าเปิดอบรมเทนี้ไม่เอาอย่างเดิมเนี่เป็นปฏิลูป ไม่ใช่ปิดปฏิวัติ ป, ปฏิรูปพระที่เรียจกจะเข้ามาออกเอาเลยข้าเจ้าบ้านของคนเนี่ยมอบหัวเข้ายางมอบหางเข้าโลกวันเสาร์คือมอบให้มาสอนแล้วต้องสอนทันทีเลยไม่ต้องพูดเอาพูดให้ฟังทำไมไม่ต้องเป็นปฐมบาเลเริ่ออะไรอนะไร่ะคันถ้าเป็นปฐมบาลเรื่องอยู่มันไม่ได้รู้อเดินจะครมี่เอาเดินให้ดูเลยเอาทาจังหวะทำให้ดูพาทีเดียนอันขมรู้สึกนี่น เ, นเป็นปฐมบาลเริ่มงเพราะให้เขารู้สึกตัวเพราะเขาไม่เคยรู้สึกตัวสอนเรื่องนี้ไปเอารับรอง รู้เรื่องรูปนาำเนี่ยเอาให้สามสิบวันกําหนดเอานะสามสิบวันไม่พลาดเลยถ้าพลาดจะเสียต่างๆให้เลยเอาเดือนนึงเท่าใดตั้งอัตรามาเลยแต่ว่าขันถ้ารู้แล้วจะทํำยังไงก็ต้องมาสนับสนุนเป็นวันนึงอย่างนี้นเนาะนี่อา้าวเบรนี้ทําจะเพียงให้ละข่มโกดเนี่ยเบาลงเอา้าให้เวลาปีหนึ่งสามรอยหกสิวันถ้าหากเราไม่รู้เอา้าคิดให้เลยอาจารยเงินเดือนเท่าใดคิดให้เลยถ้ารู้แล้วยังได้บบรนท์อา้า ต้องสนับสนุนคนว่าอย่างสันพระพุทธเจ้าสอนอย่างซันจึงว่าพุทธศาสนาจ ะ, จะเจริญขึ้นมาได้จริงๆถ้าหากคนไทยศึกษาตามหลักวิชาการของพระพุทธเจ้าจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่รู้หลักวิชาการของพระพุทธเจ้าเราก็ไปดูอตำราคุณตำรานี่ยอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้จือว่าแผลในของเราคนอื่นจะไม่เห็นไม่เห็นจริงๆมันอยู่ที่ที่รับไว้เลยเมื่อแผลของเราเราต้องรู้เองจงว่าเป็นสั ม, มาติถี่แท้คนว่าอย่างสันเน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 จิตใจเบิกบานล่าเลิงจึงเป็นบุญแท้จึงเป็นการทําบุญวันเกิดแท้ๆอันนั้นโอ้พอเลยว่างเนี่ยเอาและที่ได้พูดให้ฟังมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรและจะพูดมากก็ยังยี่นีมากไปขอให้เราไปตัดวงจรให้ได้นะถ้าหากไม่ตัดวงจรไม่ได้อย่าไปนอนหลับทับจิตเราจะมีปัญหาขึ้นมาอย่างหนักทีเดียวที่อาจารมาได้นําธรรมะ ม, มาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรในเวลาและวันนี้เป็นวันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่ ในขณะนี้ก็บ่ายสองโมงกับห้าหกเจ็นาทีนาฬิกาหลวงพ่อนะอาจจะไม่ตรงกันนะของคนอื่นอาจจะเป็นอย่างนึงเด้ว่นานาฬิกาไขนาฬิกาเราดูของไขของเราดีกว่านี่แหละสมาธิของคุณยังไม่ถึงเที่ยงของผมมันถึงแล้วผมก็เสื้อของผมที่เพราะผมเคยใส่ของผมเนี่ยผมจะไปเสื้อของคุณทําไมาอย่างนี้เขาจะย่างนั่นเรื่งว่าขอให้ทุกคนทุกคนจงตั้งตกตั้งใจทําผมลู่ตึกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตาม ทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งยืนให้ว่าเข้าห้องน้ำห้องส้วมทำข่มรู้สึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นแผลเราเป็นสัญญาตัวนี้จะทําให้ปัญนาญาณเกิดขึ้นเมื่อสมบูรณ์แล้วปัญญามาจะลอบรู้ทันทีคําพูด น, น้อยแต่เปนมากดังนั้นอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยินดีทันทีนอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาทั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระอัญต้าสาวกพระสัมาสัมพุทธมาเตือนจิตตะกิตใจว่าซื้อได้หนิเนี่ยเพราะว่าให้มาเตือนมู่ซื้อได้หนิเตือนจิตตะกิตใจของพวกเราให้พวกเราทำความรู้สึกยู่แจ้งเห็นจิตตามความจริงอย่างที่อย่างที่พระพุทธเจ้าตัดอาไว้ว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นค ถ, ถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราค ถ, ถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตรับรองจะเสียสละทรัพย์เพราะอาวัยวะจะเสียอวัยวะเพราะรักษาชีวิตจะเสียชีวิตเพราะรักษาควมจริงอันนี้เอาไว้ที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคำพูดเนี่ยพูดที่ไหนหลวงพ่อก่อนไม่ได้พูดคำนี้หลวงพ่อไปไม่ได้พูดที่ไหนก็ตามผู้ไกลๆหลวงพ่อก็ต้องมาพูดที่นี่